พวกที่มาเข้าคอร์สเมื่อวา น, นอยู่ในนี้เปล่ายกมือหน่อยฟังฟังหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆ น, นะเราไปทำเอาขั้นแรกของการปฏิบัติก็คือการเตรียมจิตของเราให้พร้อมที่จะเจริญปัญญา งานหลักของเรางานเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจนี่คืองานหลักนี่ก่อนจะทํางานหลักอันนี้ได้เราเตรียมจิตของเราให้พร้อมก่อนจิตที่จะไปเจริญปัญญาได้นะเป็นจิตใจที่ทรงสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัว รู้เน้รูตัวอยู่จิตที่จะเจริญปัญญาเนี่ยจะไม่มีสองอย่างอันหนึ่งเผลอหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปคิดเป็นจิตที่ไม่หลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนี่จิตของคนทั่วทั่วไปทั้งโลกนะี่เป็นจิตที่หลง ดูออกแผงนอกตลอดมันไม่ย้อนมาดูตัวเองนี่อันแรกที่เราต้องฝึกทำไงจิตจะไม่หลงออกแผงนอกให้จิตใจอยู่กับตัวเองอีกอันหนึ่ ง, งสำหรับจิตที่ดีที่จะเจริญปัญญาได้ไม่เครียดไม่บังคับตัวเองจนเคร่งเครียดทำตัวเองให้ลำบาก ตรงที่จิตมันหลงเพลินไปนในรูปเสียงกลิ่นรสประพภะธรรมารมณ์เนี่ย่จิตมันฟุ้งซ่านมันย่อหย่อนไปเป็นกามสุขาธิการุโยกสุดตรงไปข้างย่อหย่อนตรงที่เราบังคับจิตใจตัวเองไว้จนเคร่งเครียด น, นั้นมันเป็นอัดตายกิลมฐานุโยกการทำตัวเองให้ลาบาก ต, ตึงเกินไป ก่อนที่จะไปเจริญปัญญาซึ่งเป็นงานหลักเนี่ยต้องมาเตรียมจิตให้พร้อมก่อนถ้าไม่มีจิตที่ดีไม่มีทางเจริญปัญญาได้จริงอ่ะหลายสิบปีมาแล้วท่านหลวงพ่อตัวเวนออกไปดูการปฏิบัติสำนักต่างๆพมว่าบางที่นะครูบาอาจารย์ดีแต่ลูกสิษยนะ์ทำไม่ได้ ครูบาอาจาสอนยังไงไงมันไม่ได้หลักไม่ได้แก่นคือไม่ได้จิตตัวเองมานั่นเองหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะว่าการปฏิบัตินะถ้าไม่ได้ปฏิบัติถึงจิตถึงใจตัวเองเนะี่ยเรียกว่าไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติเพราะงั้นเราต้องเตรียมจิตให้พร้อมกันนะเตรียมจิตได้พร้อมแล้วเราก็มาเจริญปัญญา เรียกว่าเราได้แก่สารของการปฏิบัติละจุดออนที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือไม่มีจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาแล้วก็อุตรีไปเจริญปัญญาทำได้บางคนก็ทำนะพยายามทำสิ่งที่ตามมาก็คือบางคนมันสุดโตงไปข้างย่อหย่อนนะเอาจิตที่ย่อหย่อนไปเจริญปัญญามันกลายเป็นจิตฟุง้งซ่าน ไปคิดเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้หรือแล้วจิตที่ตึงเครียดไปเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้หรอกมันเพ่งมันบังคับมันกดข่มเอาไว้แล้วมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงถ้าจิตถูกซะอย่างเดียวนะการเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยใช้เวลาไม่มากเระนั้นเอามาฝึกจิตตัวเองให้ถูกต้องซะก่อนไม่เผลอกละไม่เพ่ง วิธีฝึกทำยังไงพัฒนาเครื่องมือสำคัญขึ้นมาคือสติสตินี่จะเป็นตัวทำหน้าที่อารักขาคือเป็นเครื่องมือคุ้มครองรักษาจิตจิตเราที่มันย่อหย่อนไปนะั้นมันลงไปในกามจิตที่มันเคร่งเครียดไปนะั้นมันมีโทสะสตินี่แหละจะช่วยรักษาจิตของเราไว้ สติเป็นตัวคุ้มครองรักษาจิตสติเกิดจากอะไรสติเป็นตัวะระลึกได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองหรือดูในกายก็ได้แต่ว่าตรงพ่อมุ่งมาที่ตัวจิตเพราะเราจะพัฒนาตัวจิตก่อนสติเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่นเหราะงั้นเราหัดจาสภาวะทางจิตใจของเราให้แม่น วิธีที่เราจะจำสภาวะทางใจได้แม่นยำเนี่ยก็คือเห็นสภาวะในใจบ่อยๆนะี่พี่รำสอนว่นาธีรสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเราจะพัฒนาสตินะเราก็หัดดูสภาวะบ่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรสภาวะในใจเราเนี่ย ใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราสงบก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราโลภก็รู้ใจไม่โลภก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจไม่โกรธก็รู้ใจมันหลงก็รู้ใจรู้สึกตัวไม่หลงก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ดูบ่อยๆดูบ่อยๆจนจิตมันจําสภาวะได้อย่างคนไนขี้โกรธนั้ความโกรธเกิดบ่อย พอความโกรธมันผุดขึ้นมานะมีสติรู้ลงไปมีสติรู้ลงไปต่อไปพอเห็นหลายๆครั้งแล้วจิตมันจําสภาวะความโกรธได้มันขึ้นมาจากกลางอกน้ำพุ่ขึ้นมาเนี่ยร้อนขึ้นมานมาแผดเผาถ้าโกรธแรงก็ขึ้นหัวขึ้นหน้าครุ้มคลั่งเข้าไปครอบงำจิตใจจิตใจไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขละเราดูมันทางาน งั้นเวลาโทสะเกิดนะพุ่งขึ้นมานะสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ทางใจใจิใจไม่มีความสงบสุะไม่ร่มเย็นถ้าราคะมันผุดขึ้นมาเนละ่นเปลินเลอเปลินเลิเลเล น, เลนไปนะั้นมีความสุขราคะกับโทสะก็ไม่เหมือนกันลักษณะของโทสะคือมันจะผลักอารมณ์ทั้งหลายออกไปไม่ชอบหงุดหงิดอยากผลักอยากหนี อยากไปอยู่ที่โน้นที่นี้อยากหนีจากที่กาลังเป็นอยู่นะลักษณะอราคะคือดึงดูดเวลามีราคะก็จะดึงดูดอารมณ์เข้ามาหาตัวเองเวลามีโทสะก็จะผลักอารมณ์ออกจอากตัวเองเนะนี่ยคอยรู้คอยดูไปหัดดูไปบ่อยถ้าเราขี้โมโหนะเราก็ใช้ตัวโทสะเป็นหลัก ถ้าเราเป็นพวกโลบมากเราก็ใช้ตัวราคาเป็นหลักถ้าเราเป็นพวกฟุ้งซ่านเราใช้โมหะเป็นหลักใจฟุ้งซ่านโมหะไม่ต้องดูทีเดียวทุกตัวหรอกฝึกเวลาฝึกเวลาซ้อมนะดูตัวที่มีเยอะๆมีบ่อยๆอยังคนชี้หงุดหงิดนะีความหงุดหงิดผุดขึ้นมาก็รู้ความหงุดหงิดผุดขึ้นมาก็รู้หัดรู้บ่อยๆ ต่อไปพอใจหงุดหงิดปั๊บเนสติจะระลึกเองเลยจะระลึกปุ๊บลงไปแล้ว ท, ทันทีที่สติเกิดเนี่ยสติจะทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองจิตจิตที่กำลังชั่วอยู่กำลังมีอกุศลอยู่พอสติเกิดเนี่ยอกุศลจะดับ ท, ทันทีแล้วขณะที่มีสติอยู่เนี่ยอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้อกุศลเกิดตอนขาดสติเท่านั้น แล้วในทันทีที่สติเกิดนะกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตัวสติคือตัวกุศลแล้วถ้าเราฝึกตัวเองเรื่อยๆกุศลจะเกิดทีทีขึ้นสติเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปศีลสมาธิปัญญาอะไรก็พัฒนาไปเรื่อยๆใส่สตินี่เป็นเครื่องมือเมื่อเราพยายามนะหัดรู้สภาวะที่เกิดในใจของเราบ่อยๆนี่คือการบ้าน คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกตัวเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้อย่าปล่อยให้มันครอบงำอย่าจมอยู่กับความรู้สึกอย่างบางคนจิตใจเศร้าหมองก็จมแช่อยู่กับความเศร้าหมองจิตใจกลวัวก็จมอยู่กับความกรัวนั่นงหุนยิ้นหุนยิดไปเลยหรือจิตใจโลบก็เยิมหยากเยิมเวลา ราคาเกิดนะใจิตใจมกักจะหยาดเยิมมันจะเยิมเยอมและโทสาเกิดมันจะร้อนดิน้นไะอราคาเกิดมันก็ดิ้นเหมือนกันนะแต่มันดิ้นแบบนุ่มนวลนะตัวนี้ใครเคยเห็นไหมเวลาจิเล ม, มันเกิดนะใจ ม, มันปลูกแต่งหากดูไปถ้าเราเป็นพวกโลภมากเราก็ใช้ตัวโลภนะตัวราคาเป็นตัวหลัก เราเป็นคนขี้มโมโหเราก็ใช้ตัวโทสะเป็นตัวหลักเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปตรงๆพอสติเกิดถ้าไปมันเกิดเองจิตมันจําสภาวะอย่างเราดูโทสะบ่อยๆมันโกรธมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยจิตจําสภาวะของความโกรธได้มัน พ, พุ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยทีแรกต้องโทสะแรงๆก่อนถึงจะรู้ต่อมาโทสะเบาๆก็รู้ ตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตขี้โมโหหงุดหงิดง่ายโทสะปุดขึ้นมาเรารู้รู้ไปไร้ทีแรกต้องโทสะแดงๆต่อมานะ่มีอยู่วันหนึ่งอยู่ในห้องแสงสว่างอะไรเนะี่ยพอดีพอเปิดประตูห้องออกไปนะี่แสงแดดนนะกระทบเปลือกตาแค่แสงแดดกระทบเปลือกตานะใจห ง, งุดหงิดขึ้นมาลนะ โทสะมันเกิดแล้วแต่มันเล็กนิดเดียวนะนแค่ลำคาญนะรู้จักลำคาญไหยลำคาญก็เป็นโทสะนะแต่เป็นโทสะที่ตัวเล็กๆถ้าโทสะใหญ่ๆโมโหโทโศอาลวาดจะฆ่าคนแล้จะทําอย่างนี้จอย่างนี้แล้วนี่ยเราหัดดูทีแรกเราเห็นแต่กิเลสแรงๆพอดูบ่อยๆนะจิตมันชํานิชํานาลสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปสติ มันเร็วถึงขนาดว่ากิเลสไหวตัวขึ้นนิดเดียวนะมันเห็นละแล้ว ท, ทันทีที่สติเกิดสติจะอารักขาจิตกิเลสจะดับ ท, ทันทะีะกุศลจะเกิด ท, ทันทีนี่เราฝึกอย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างพอเรารู้ว่าจิตมีโทสะรารู้ปับนะ๊บเโทสะดับเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจิตดวงนี้เป็นจิตที่ดีนะเป็นจิตที่จะใช้เดินตัณฑาได้ แต่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะไปเน้นที่จิตหลงคิดเพราะจิตหลงคิดจะเกิดบ่อยกว่าชินมีโทสะอีกนะก่อนที่เราจะมีโทสะได้เราต้องหลงคิดก่อนถ้าไม่หลงคิดโทสะจะไม่เกิดก่อนจะมีราคะได้ก็ต้องมีการหลงคิดก่อนถ้าไม่หลงคิดราคะก็ไม่เกิดยนะันในเวลาใจมันหลงคิดนีถ้าจะฝึกแบบรวบยอดเลยเอาจุดที่ คมที่สุดเลยลึกที่สุดเลยถ้าได้จุดนี้แล้วเรื่องอื่นง่ายไปหมดเลยคือรู้ทันจิตที่ลงคิดนะตัวเนี้เกิดบ่อยที่สุดหัดดูจิตลงไปคิดแล้วรู้จิตลงไปคิดแล้วรู้นี่ทำยังไงจิตลงไปคิดแล้ ว, นะงงลลวถึงจะรู้ได้ง่ายขั้นแรกเลยจงใจคิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเช่นจงใจคิดพุดโทโธไว้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบ ไม่ได้พูดโธเพื่อจะห้ามไม่ให้หลงคิดพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเองพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาจิตไปหลงคิดเนี <het> ่ยม <as> <w> ันจะลืมพุทโธจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคิดเรื่องที่เรากําหนดให้คิดะแต่ไปคิดเรื่องสเปสตาตามใจกิเลสเงินรหัสพุทโธไว้นะพุทโธพุทโธไว้นะพอจิตมันหลงจิตมันจะลืมพุทโธจะไปคิดเรื่องอื่นร้อยเรื่องพันเรื่อง เราเคยพุโทโธจนชํานาญนะพอจิตทิ้งพุโทโธไปไม่นานนะ่ะเราก็จะระลึกได้ว่เฮ้ยลืมพุโทโธไปละขาดสติแล้วนี่ยเราก็มาพุโทโธของเราต่อไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบไม่ใช่พุโทโธเราห้ามเผลอพุโทโธเล่นๆพุโทโธเป็นเครื่องรู้สึกตัวเองแล้วพอจิตมันทิ้งพุโทโธไปนี่แหละเป็นเครื่องเตือนตัวเองว่าตอนนี้จิตลงไปคิดแล้วลงไปอยู่ในเรื่องของความคิดเรื่องอื่น งั้นเราไปซ้อมไปนะทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันลงไปคิดอันเนี้ยเป็นจุดที่ถ้าทำได้แล้วง่ายเลยถ้าไม่ได้ดูไม่ออกดูจิตลงคิดไม่ออกจริงๆอ่ะจิตมันโกรธก็รู้ว่าโกรธจิตมันโลภก็รู้ว่าโลภอันนี้ระดับรองลงมามันโกรธแล้วรู้ทันทีที่รู้ว่าโกรธ ส, สติเกิดเนี่ยมันรู้ว่าโกรธความโกรธดับทันทีจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นชั่วขณะ แต่ถ้าเอาความโกรธเป็นฐานนะเราไม่ได้โกรธตลอดเวลายกเป็นคนนี้ใส่ขี้โกรธจริงๆอ่ะแต่หลงคิดนี่มันหลงตลอดเวลาหลงทั้งวันนะตื่นนอนมาก็หลงคิดแล้วนอนหลับไปก็หลงคิดแล้วว่าฝันนนครูบาจารย์เนียมันเน้นที่ตัวหลงคิดเพราะเป็นตัวที่เกิดบ่อยอย่างบางคนบอกว่าถ้าฟ้าร้องจะรู้สึกตัวได้ไหมได้ตั้งใจไว้ถ้าฟ้าร้องแล้วจะรู้สึกตัว แต่ามาทำกรรมฐานไม่ได้ปีหนึ่งมันร้องไม่กี่ครั้งใช้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมฐานที่เกิดบ่อยๆ อ, อย่างถ้าเราชี้หงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้รู้หงุดหงิดเรารู้ไปจะเกิดบ่อยๆ อ, อย่างนี้ก็ใช้ได้หรือถ้านานๆจะโกรธทีหนึ่งนานๆจะรอบทีนึงเราดูตัวหลงจิตหลงคิดจนะเกิดบ่อยยังไงก็เกิดบ่อยนะเราจะดูตัวที่เกิดบ่อยๆ เพื่ออะไรไม่จะจจำสภาวะได้แม่นว่าจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะได้เกิดเองฉะนนแนะนำแนะนาให้เรียนรู้จิตที่หลงคิดวิธีจะรู้จิตที่หลงคิดก็คือทกากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งจงใจทำไว้อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เพื่อสงบทำเล่นๆไปเป็นเครื่องรูนะ้เครื่องอยู่ของจิตเครื่องะระลึกของสติหลวงพ่อพูดชอบพูดเลย เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติท่านทุบพูดอย่างนี้บ่อยๆทำกรรมฐานนั่นหนึ่งนะไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องควบคุมตัวเองเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นพอมันลืมการระลึกอันนี้แสดแว้าไม่ขาดสติแล้วเนี่นนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนี่ไปทำนะไปทาก็ให้กันบ้านทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งเมื่อจิตนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันไป พอฝึกบ่อยๆบ่อยๆนะพัรู้ทานว่าจิตหลงจิตนะจิตรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติจิตรู้เนี่ยบางคนมันก็บ่อยๆนะพวกเรียนตำลามากแต่พอนาไม่เป็ น, นบอกาว่าจิตรู้เนี่ยม่เห็นจะมีในพระไตรปิฎกเลยไม่เห็นมีในพระไตรปิฎกเลยอยากให้มีนะเอาในอริธรรมก็ได้ยิ่งกว่าพระไตรปิฎกอีตัวที่เป็นจิตรู้เนี่ยคือมาหากุสลจิต ญาณสัมพยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังคาริกังเกิดเองไม่ได้จงใจให้เกิดยิมีจิตชนิดนี้มีอยู่สองอย่างสองดวงดวงหนึ่งก็คือเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญามีความสุขเกิดขึ้นเองอีกดวงหนึ่งก็คือจิตที่เป็นกุศลมีปัญญาจิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เกิดขึ้นเอง มีสองอันอันหนึ่งมีความสุขอันนึงเป็นอุเบกขานะแต่ต้องเกิดเองถ้าถ้ายังไม่ได้เกิดเองต้องบิ้วให้เกิดเนี่ยเป็นจิตที่มีกําลังอ่อนเกินไปเอาไปเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงเอาไปทําความดีอย่างอื่นนไดนะ้แต่ไปเดินปัญญาจริงๆไม่ได้กําลังไม่พอตัวกุศลที่มันเกิดอัตโนมัติเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังกล้านะอากุศลที่เกิดอัตโนมัติ เป็นอากุศลที่มีกำลังกล้าถ้าต้องบิ้วให้เกิดกนะ็กำลังอ่อนอย่างอากุศลที่แม้ถูกยั่วตั้งนานถึงย่งโมโหยเงี้ยตัวเนี้ยเป็นอากุศลที่มีกำลังอ่อนแต่ถ้ามองหน้าพวโมโหปั๊บเลยเนี้ยนี่อากุศลที่มีกำลังกล้ากุศลก็เหมือนกันถ้าต้องบิ้วให้เกิดก็เป็นกุศลกำลังอ่อนอย่างบางคนอยากมาฟังทรรนะ แต่เกียกตะกายมาออกจากบ้านมาตีสี่อะไเนีมาเพื่อจะมาฟังธรรมเดี๋ยนี้จิตใจเป็นครูสที่มีกําลังกล้าอีกคนหนึ่งนะเพื่อนชวนแล้วชวนอีกนะสุดท้ายมาก็มาว่ะตัดใจอย่างวนี้เป็นครูสที่มีกําลังอ่อนนีนเราจะฝึกจนกทั่งจิตมีกําลังกล้าเป็นกรูสอที่มีกําลังแก่กล้าก็ฝึกไป ทำกรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหลงคิดนะเล่นบ่อยๆก็มันเกิดบ่อยที่สุดนะจิตหลงคิดพอเราเห็นบ่อยๆนะสติก็ยิ่งเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บนะนะรู้ทันเลยไม่ได้เจตนาจะรู้รู้เองอย่างนี้เป็นกุศลที่มีกำลังกล้านละ้จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน น่อเรามีจิตดวงนี้แล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญาเมื่อคีบอกแล้วนะงานหลักของเราคือการเจริญปัญญานะการฝึกจิตฝึกใจนะี่เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนะี่คอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆฝึกไป สรุปก็คือต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้เวลาจิตมันหลงไปแต่ถ้าตัวนี้ยังทำไม่ได้นะก็ใช้ของที่อยาบขึ้นอนะย่างเราเป็นคนโลภมากเราเห็นอะไรเราก็อยากได้ไปหมดเลยล้วนะก็คอยรู้ทันใจไปเดินช็อปปิง้งเนีไปเดินศูนย์การค้ามองเห็นมือถือใจอยากได้รั้วอยากไดนะ้เดินผ่านสาวสวย เขาก็จะมาซื้อของเราไปเห็นข้าใจเราชอบอีกแล้วมีราคาขึ้นมาอีกแล้วอยากได้อีกแล้วรู้ว่าอยากนะเดินไปเดินไปนะเจอดอกไม้สวยเขาแต่งมุมนี้แต่งสวยโู้ชอบนะนี่ราคาอีกแล้ ว, ลวรู้ไปนะจิตมันมีราคาเยอะเจออะไรมันชอบไปหมดเลยนะไปกินอาหารลิ้นกระทบรถโอ้ชอบอีกแล้วนะมีราคา หรือเดินผ่านร้านอาหารนะได้กลิ่นรอยมากระทบจ ม, มูกมีกลิ่นกระทบนะอยอยากกินเน็ดลนะใจมันอยากถ้าเราเป็นพวกที่โลภใจอยากบ่อยๆใช้ความอยากนะี่ทำกรรมฐานก็เกิดบ่อยเหมือนกันตัวอยากตัวโทสะนี่เกิดบ่อยกับคนซึ่งมีมีบากเก่าในทางที่เป็นอกุศลแรงนะ เพรนโทสะมันจะขึ้นบ่อยมันเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจอยู่ตลอดเวลาอารมณ์มันเดียวกันนะคนอื่นเขาเฉยเยนะคนซึ่งมันมีพื้นอนุสัยโทสะกระทบอารมณ์ธรรมดาที่คนอื่นเฉยๆยมันก็หงุดหงิดนะเพะฉั้นถ้าเราเป็นคนชี้หงุดหงิดก็ไม่ต้องว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันหงุดหงิดมองเห็นเกาหงุดหงิดได้ยินเสียงก็หงุดหงิดได้กลิ่นเข็หงุดหงิดลิ้นได้รสกาหงุดหงิดตีเนะตียนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง อนนี้จิตมันมีโทสะเก่งเราก็ใช้โทสะนี่ยฝึกตัวเองความจริงแล้วนะมันจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่าหลงนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดทุกครั้งลนะเพราะนถ้าจิตเราโกรธเรารู้ว่าโกรธความโกรธจะดับจิตผู้รู้ก็เกิดถ้าเราโลภความโลภเกิดแล้วสติรู้ทันนะความโลภดับ ตัวผู้รู้ก็เกิดนะนี่ครูบาอาจารย์มันเน้นที่ตัวคิดเพราะว่าจิตหลงคิดน่ะเกิดบ่อยโดยทั่วทวไปทุกคนมันหลงคิดเก่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเฉพาะจิตหลงคิดเท่านั้นนะรู้จิตหลงคิดแล้วสติรู้จิตหลงคิดแล้วถือจะเกิดผู้รู้ไม่ใช่ถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะสภาวะอะไรก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้สติรู้ทันปั๊บเนี่ย ตัวจิตผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติเมืเราดูของที่เราดูได้ถ้าเรายังดูจิตหลงคิดไม่ออกจิตเคลื่อนไม่เห็นจิตเคลื่อนไม่เห็นเรามีโทสะเราก็ดูจิตมีโทสะถ้าเรามีความโลภเยอะนะเห็นอะไรก็ชอบไปหมดเห็นอะไรก็อยากไปหมดเราก็ดูจิตอยากจิตอยากก็รู้จิตอยากก็รู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอมันอยากนิดเดียวก็เห็นแล้ว หรืจิตโกรธก็รู้จิตโกรธก็รู้นะต่อไปเพ่อคัดใจเล็กๆก็เห็นละหลวงพ่อนี่เป็นพวกโทสะนะแต่เดิมเพราะั้นจิตโกรดนิดนึงก็เห็นจิตโกรดนิดนึงก็เห็นค่อยฝึกไปแล้วสติมันก็คมคมค ม, คมขึ้นเรื่อยๆตัวรู้มันก็ค่อยเด่นดวงขึ้นมาแล้วตอนหลังๆเนี่ยโทสะมันไม่ค่อยมีลนะเลยเป็นจิตหลงคิดอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูจิตที่หลง หลงพ่อดูได้ละเอียดนะไม่ใช่แค่หลงคิดหรอกหลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้หลงไปดมกลิ่นก็รู้หลงไปลิ้มรสก็รู้หลงไปรู้สัมผัสที่กายก็รู้หลงไปคิดทางใจก็รู้รู้การหลงทั้งหกช่องทางเลยสติเราเร็วจริงๆขยับปับ๊บรู้วิ่งไปดูรู้วิ่งไปฟังรู้วิ่งไปคิดรู้นี่ครูบาอาจารย์สอนใหม่ๆนะท่านไม่สอนทีละหช่อง พอเราทําให้ไหวก็เอาช่องเดียวคือช่องใจที่หลงไปคิดให้เกิดบ่อยหลงไปดูหรือจากหลงไปดูไหมอย่างเราเห็นรถชนกันอยู่กลางถ น, นนเนยไปดูไปดูปดขณะที่ชงโตกดูนะตัวเองลืมตัวเองนะก็ขับรถไปเรื่อยตาไปอยู่ที่ น, น่ปดูเขาชนกันก็ตัวเองก็เลยไปชนกับเขาบ้างนีน่มันหลงไปดูหลงไปฟังหลงฟัง เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มาถึ่หลงฟังบางคนหลงดมกลิ่นนะเมื่อก่นรยังไม่บวชนัเคยไปตามห้างตามสูนจันท์ค้าเห็นแล้วขำนะพวกผู้หญิงอนะไปอยู่ที่ตู้น้ำหอมนะน้ำหอมมาทานมือนะแล้วก็ดมเราเห็นเราคิดถึงอะไรรู้ไหมมาที่บ้านเราก็ทำแบบนี้แหละ <laughs> นะมาที่บ้านเราก็ทำแบบเดียวกันเลย นะอันนี้ไม่ชอบเ อ, อันใหม่มาแต้มอันเก่าก็ยังอยู่ใช่ไหมอันใหม่เรามากลิ่นยิ่งพิลึกหนักกว่าเก่าอีก <c oughs> เพราะมันหลายกลิ่นไปปนกันแล้วนะเราจะหมูกไม่ไหวเท่าหมาหมาแยกได้อันนี้กลิ่นน้ําหอมเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองเบอร์สามทาอยู่ด้วยกันนะี่ไปทาเหตุนั้นเราตลกอ่ะเห็นแล้วขำเลยเห็นผู้หญิงทำไมผู้หญิงอ่ะ ก็ชอบดูผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอ่ะเห็นผู้หญิงโทรศัพท์เดินโทรศัพท์เดินออกมาจากเอ๊ส่นการค้าส่งที่มันขายอาหารนะฟู้ดเซ็นเตอร์ร้านอาหารเลยเดินออกมานะโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็มีอะไรติดฟันนะเผลอคุยๆเราดูแล้วค้ามขำนะเนี่ยเนี่ยเผลอไปคุยอ่ะ ก็ทําอะไรพี่ลึกพิลึกออกมาได้เยอะเลยเพราะฉั้นเวลาคนเราเผลอนั้นดูตลกอะเวลาเห็นคนเดินโทรศัพท์ไปดูติดตลกตลกเวลาเผลอทําอะไรได้พิลึกพิลึกนี่พยายามฝึกตัวเองเขานะมันจะได้ไม่น่าเกลียดเผลอแล้วมันไม่งามหรอกเหลอแล้ไม่น่าเกลียดนะก็เหมือนหมาเหมือนนะไรอย่าเงี้ยเหมือนแมว ใครเคยทําบ้างยเมื่อซีผู้หญิงเคยทําทุกคนแหละผู้ชายยุคนี้ก็ใช้น้ําหอมเยอะเหมือนกันได้ข่าวมาแต่หลวงพ่อไม่ทันยุคที่ผู้ชายใช้น้ําหอมเยอะหรอกะยุคนี้ผู้ชายอาจจะไปดมเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ละ น, นี่ไม่เห็นไม่ได้ไปตามศูนย์การค้าเนี่ยเราฝึกนะฝึก จิตหลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้หลงไปคิดก็รู้อันนี้ยต้องสติดีๆล้วถึงจะรู้ถ้าสติยังไม่ดีเอาหลงคิดตัวเดียวก่อนถ้าหลงคิดยังไม่เห็นนะ่ะมันหลงโกรธก็รู้มันหลงโลภก็รู้ฝึกนะของหยาบๆไปหลงโกรธนง่ายที่สุดนะมันดูง่ายมันหยาบเวลาความโกรธเกิดเนี้ยใจไม่มีความสุขเพราะใจไม่มีความสุขนะใจจะอยากพ้นไปเร็วๆใจจะขยันดูนะเวลามีความทุกข์ เวลามีความโกรธสังเกตไหมขยันปฏิบัติเวลามีความสุขแล้วเพลิดเพลินนึกออกไหมเพราะฉะั้นใครที่โกรธนะถือว่ามีบุญนะมีบุญใจโกรธพวกบมันรู้ได้บ่อยมันมีบ่อยนะเวลาโกรธเนยะมันรู้ง่ายมันเป็นอารมณ์ที่หยาบนะพระพุทธชจ้าบอกว่าตัวโทสะเนี่ย มีโทษมากเวลาโทส์เกิดขึ้ น, นที่เขาคาบฝันล้างผลาญคนอาละวาดได้ไม่กลัวตกนรกเลยโทสามีโทษมากแต่ลาง่ายทำไมลาง่ายเพราะเห็นง่ายราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่ลายากราคามีโทษน้อยแต่ลายากใจเราจะชอบน้ำหอมเนี่ยไม่ได้มีใครเดือดร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ารุนแรงไปจี้เปปร้นเขาเนี่ ย่างนี้ถึงจะแรงประกะติใจมันโลภโลภเล็กโลภน้อยอะไรเงี้ยโทษมันน้อยไมไม่ถึงกับผิดศีลอย่างเดินผ่านเขาทำอาหารอยู่นะผ่านร้านอาหารหอมชุยใจมันยังชอบเลยะจะโูกทราย น, น้ำลายไหลยยใครนั่งริมๆเนียเราตั้งใจดมทตเดี๋ยวก็น้ำลายไหล เหมือนมาได้ยินเสียงะระฆังเนี่ยฝึกไปราคามีโทษน้อยแต่ละยากเพราะเราไม่เห็นโทษของมันโมหะมีโทษมากแล้วก็ละยากโทษามีโทษมากแต่ละง่ายราคามีโทษน้อยแต่ละยากโมหะมีโทษมากด้วยละยากด้วยงั้นถ้าใครเป็นพวกโทษานะภาวนาง่าย มีบุญนะถ้าไม่ภาวนาก็ตกนรกไปถ้าภาวนาก็ได้มากผลเร็วเห็นมันขยันดูหือดหงิดแล้วรู้หมดหงิดแล้วรู้ดูไปนะก็จเจริญเร็วไปฝึกเอาหน้าไปฝึกเอาอาจดูสภาวะบ่อยๆในสุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถ้าดูจิตหลงได้จิตหลงชิดได้ก็ดูไปถ้าเก่งจริงๆ จ, จะรู้จิตหลงทางตะวนันทั้งหก นั้นสุดยอดแล้วสุดยอดหองนักดูจิตละถ้ายังดูไม่ทันก็ดูจิตโลภจิตโกรธไปจิตเบื่อจิตเซ็งอะไดูไปพอฝึกเจอได้จิตรู้แล้วอันนี้ยค่อยไปเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาถ้าเคยดูจิตโกรธแล้วก็ดูไปจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับแค่นี้ก็เดินปัญญาละ ถ้าเราเคยดูจิตโลภเราก็ดูต่อไปแต่เราก็เห็นนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับดูไปอย่างนี้ถ้าเราเคยรู้จิตหลงอย่างจิตหลงชิดเราก็ดูไปจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงชิดเกิดแล้วก็ดับสลับกันไปแค่นี้ก็เดินปัญญาแล้วง่ายๆแค่นี้แหละดูมันเกิดดับสลับกันไปเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆหัดดูไป ยังหลงไปเลารู้ทันก็เกิดรู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หลงะเนี่ยหลงก็รู้หลงก็รู้สลับไปโกรธก็ไม่โกรธก็สลับกันรอบก็ไม่รอบก็สลับกันนะสุขก็ไม่สุขก็สลับกันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็สลับกันดูไปเรื่อยง่ายๆแค่นี้แหละเดินปัญญาแล้วะพอรู้เรื่องไหมวันนี้สอนง่ายหรือยากประเมินผลหน่อย ใครว่าง่ายยกมือซิใครว่าง่ายใครว่า ย, ยากที่เหลือเนี้ยมัชิมาใช่ไหมพอดีพอดีไม่ยากไม่ง่ายเอา้าไปกินข้าวนี่หมดนะครับ